الشيطان الربيل. يا قوم يا قوم يا قوم لكم ا ل م ل ك ا ل يوم ظ ا ه ر ي ن في الأرض فما ينسون من سيل إنجانا อ้ قال ر ลฟีُ ر ْ إ าวนุมะอุริกุมอินْ่ารอวะฮิบَุอิน إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يقوم. وقال الذي آمن يقوم. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب نوحي مثل دب قوم نوح Allah o ั้นไม Allah อย l l a h อยู่ อาวุ้นไง n g ณเ a า m ์มาตนะเดือยโยมัตุอัลลอฮฺน أ َ ج َ ء ز ك ُ م ي ُ س ُ ف ُ م ِ ن قَبْلُ ب ِ ا ل ْ ب َ ي ن َ ت ِ a m a zil tum si shakim imajabum bit hatta ila h a l a q u t u m لا يبعث الله من بعده رسولا، كذلك, كذلك يضل الله، من هو م ش ر ّ ف من هو مشرّفٌ. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و ن ع و ذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ي ه د ه الله فلا مضل له ومن يضل ل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أ و ذ ب ك ل م ا ت الله ا ل ا ما ت م ن ش ر ما خلق بسم الله الذي لا يضر معصيه ش ي ء في الأرض ولا في السماء وهو ا ل سميع عليم رضيت بالله رب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 رب كل شيء ومالك أشد أن ل ا إ ل ه إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوء أو أ ج ر ه إلى مسلم أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ا نفسي وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي لا قيوم رحمتك أ س ت غ ي س أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرف تعين ข้ามิมท่ ل นริลุอัลกิดามีนอัลลอฮฺอัน عز ิ้อัลก ليم غافر الزنبي وقابل التوبي شديد العقاب في الطوّل لا إله إلاهُ إله المصلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่ร่ว ا นมัสการที่มัสยิดอันบาริสุนนะที่รับ ที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านอัลฮัมดุลิลละด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้แลาได้มีโอากาสมานมาสยามะร่วมกันเราได้มีโอากาสได้มา <c oughs> นั่งอ่านอันลกุรอานแล้วก็ศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานนะครับเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆนะครับทั <c oughs> ้งหมดเหล่านี้เป็นอัลลอฮฺเมตตาครับฟะกอเดรอฮิมต์ะ อัลลอฮฺเมตาก็พี่น้ครับ <c oughs> เราเนี่เป็นห่วงลูกหลานล้วเป็นห่วงตัวเองด้วยในอัลกุรอานนี่ในดุอาในอัลกุรอานมีเยอะนะครับดุอาให้กับตัวเองดุอาให้กับลูกหลานเนี่ยให้เป็นลูกหลานที่ซ้อนแล้วเนี่ย ผมจะเอาคุณอานซึ่งเป็นดุอาสัสาสาสบทนะะสั้นๆให้เอาไปอ่านกันทุกคนนะนะใสรอกอสุรที่สี่สิหอายะที่สิรับอวยอหนีอันอัรนิมตะกันเลติอันงามตอลยและะลิดัยและอันอมลัตร่า waas ั i ลิ i ์ i ล u ้ย i ในดุรียตินอิดเนียตบุตุอิลัยกะว่าอิหนีมิหน้ามุสลิมีนี่อ่านทุกวันเช้าเย็นสุล่าเนี่ยบทที่สี่สิบหกอายาตุซอมรับบานะฮับละนะมิ่นอัจวะจินะวะดุรียตินะคุรรต้าอัยยุนวะจะอ่านนะลิมุตตะกีนะอิมามะนี่ก็ให ตัเราฟุรกายีสิบ้าอายะที่จสิบไปเปิดดูแล้วก็ไปท่องจำกันอายะที่สามรับนะฮับนะรับบีฮับบี حكم าว่าอันฮิบเบิสอลัยอนอายะที่ห้าวจงาีลิซานซิดอินฟุลอาครีมวจงานีมิววรซาติยันตินนายมิทั้งหมดหอายะ ให้อ่านชา เ, น ช, าเนช้าเย็นเช้าเย็นโซโลชัวร์อายะสุดท้ายเนี่ยชัเร์ที่ยี่สิบหกอายะที่8ปดสาปสี 83, นะครับตัวลว่กากุรอานเนี่ยเป็นทั้งดูอาด้วยเป็นทั้งความรู้ด้วยเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเป็นประวัติศาสตร์ด้วยทั้งหมดอยู่ใน้าพรากรุรอานทั้หมดใครที่จะเลือกอามาชาัยตรงนั้นเนีมีอัละคนแนะนาให้นะไม่ใช่ผมคิดเองนะผมคิดแลไม่ออก ก่อนที่จะแปลคุณอ่านอธิบายกุณอ่านก็อยากจะคุยเรื่องที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะเมื่อวานนี้ไปนมาจะนาะที่พัทยาคนกล้ชิดเสียชีวิตก็คนเวลาตายกัก็จะพบกันนะนะมาจากฮานอยเยอะกรุงเทพกเยอะห้ามด้วยแล้วก็ไปพบกันที่นั่นทีนี้พอพูดถึงความตายเนี่ย มุมินตายกับกาเฟตตายเนี่ยไม่เหมือนกันคนมุสลิมตายเนี่ยคนที่มีอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดแปดประการในพาติด ต, ตัวไปนะเขาเรียกว่าสเสบียงนีนะหนึ่งนามาธิขาดสองอ่านอัลกุรอานพร้อมกับหาความรู้จากอัลกุรอาน ข้อที่สามบริจาบสม่าเสมอที่เป็นสเสบียงทั้งหมดนะข้อที่ห้าขอดุาอาจากที่เล่าเมื่อกี้เนะี่ยม่ดูอาให้กับตัวเองดูอาให้กับลูกๆให้ภรรยาต้องขอหมดนะข้อที่ข้อที่ห้าให้ยึดแก้ถึงอัลลอฮ์ข้อที่หกให้ติดต่อกับเครือญาติของเราถึงจะไม่ใช่มุสลิมเราก็ติดต่อได้หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ กับพ่อแม่นี่ห้ามทะเลาะกันเด็ดขาดเลยพรรยาดูแลลูกให้ดีดูแลภรรยาให้ดีคุยกันดีๆนะครับข้อที่เจ็ดเนี่ยใ ห, ให้ให้อภัยซึ่งเราก็พูดอย่างนี้มานี่ทั้งหมดที่จาจารย์อ่านทั้งหมดเลยนะสะรุปนะข้อที่แปดนี่ก็คือให้สระวานาบีเยอะ แล้วก็ดัาที่เราอ่านอยู่เป็นประจำเนี่ยอินโนซาลาตีวานุสุกีวามะฮียะยาวามามะตีลิลลัยอัลลอฮฺบิญ่าอัลมิญตัวนี้ต้องการจะสรุปว่าอย่างนี้แค่กินนำการนำมายของฉันการเสียสละของฉันการมีชีวิตของฉัน24ชั่วโมงแล้วก็การตายของฉันอัลลอฮฺต้องพอใจทำยังไงกัน มันต้องอยู่แบบนี้แหละอยู่แบบเรียนอัลกุรอาน้าไม่เรียนอะไรเลยนะครับเรียนแต่วิชา่วมดุญยาอย่างเดียวพอตายเสียใจหมดอไม่เชียรอลงตายดูแล้วก็คนกาเฟสเนี่ยไปนองกับพอตายแล้วเพิ่งจะรู้ว่าอยู่บนดุนยานี้ถ้าไม่ทำงานศาสนาขาดทุนหมดเลย ถ้าไม่ทำงานศาสนานี่ขาดทุนหมดถ้าไม่เรียนศาสนานี่นะเรียนด้วยทำด้วยนะทำงานศาสนาไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้อะเป็คนยาเฮนไม่ได้ต้องเป็นคนที่ฉลาดฉลาดต้องอ่านหนังสือสม่าเสมอแล้วคนกาเฟ่ในน่นบนรูบามายะวัดดุลลดีนกฟะรูลาวกานูมุสลิมีนอยู่ในสุสานเนี่ยนอนอยู่นะ บ่นว่าไงนะหรือเผาไปแล้วก hm so ็ตามถ้าฉันได้เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีมากเลยวันนึงไม่ร่วมบนกี่แสนครั้งน่ะแล้วก็ในอัลกุรอานอธิบายอีกยาไลตานีกุนตูตูรอบะถ้าฉันได้กลายเป็นดินก็ดีตายแล้วอย่าให้ฟื้นเลยตายแล้วตายไปเลยเนี่ยไม่ต้องมาต้องถูกลงโทษถูกสอบสวนบ่นทําไมครับ ตะบนกันยิ่งใหญ่ก็คือ ana, ana, ana, ina, han, โรบนาอาบซอรนาวมยนาฟัดอนามัานลิฮันอินนามูนูนโอพระพุบาลของเราเ อ, อฉันเห็นแล้วตอนตายน่ะท่งจะเห็นน่ะเห็นนมาเห็นการอ่านอัลกุรอานซิครุลลอฮ์การให้อภัยโทษการทำดีกับพ่อแม่ การดูแลศาสนางานนี้พึ่งเห็นรางวัลอันยิ่งใหญ่หลังตายครับเลยจะพูดว่าพราะ่ไม่ได้ทำนะเขาไม่ทาก็พูดว่าไงนะรอ บ, บนาอั บ, บสอบนาฉันเห็นแล้ววาสมียนะเราได้ยินแล้วได้ยินการลงโทษนะเห็นแล้วได้ยินแล้วฟาติยาณาโปรดส่งเรากลับกลับมาไหนอะโลกดุนยาไปนี้ น้ามังสอหัานจะมาทา ง, งานที่สอนและเคืองานศาสนาอินนามูกีนูนฉันเชื่อแล้ว ส, สุสระรัจดาสุรที่าองอายาที่12ไปเช็คดูดิไปน้องท่านชีวิตเอาสรุปแล้วเนี่ยนะอยู่บนโลกดุรยาเบนี่ต้องอยู่เอาสุนนะนาบีแบบฉบับที่นบีสอนนั่นแล้วก็คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็สบายใจที่สุดไม่ใช่คนอื่น อุลมาน่ะเยอะน่ะเป็นแสนเป็นล้านน่ะตามทั้งหมดอ่ะฉะนั้นเอานาบีเป็นเป็นแบบแล้วก็ต้องเรียนด้วยนะต้องเรียนสุนัหนะบีนะนบีทำยังไงนบีนอนยังไงกินยังไงนมาดยังไงอ่านลกุรอานยังไงสอนคนยังไงถูกตาหนาบีทำอต้องเรียนหมดเลยแล้วก็เอารูปแบบนบีนะ่ะมาใชไม่ใ ช, ใช่จากตัวครูตัวครูเพียงแต่ให้ให้ความรู้แนะนำเท่านั้นเอง ตกลงว่าต้องเรียนนะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะครับเอาวันนี้มาเจอกุรอ่านอยายะที่เท <c oughs> ่าไรยี่สิบเก้าเรากำลังอ่านกุรอ่านไปเจอว่าเมื่ออาที่ลท่เนียรยูลนมุมินุนมินอาลฟิรอานมีชายคนหนึ่งจากพิวจาก พวกพ้องหรือของพี่น้องของฟิรงองอุลเนี่ยที่อะไรนะปิดบัง إ ي م านของเขาไว้ไม่ให้ใครรู้ใช่ไหมแต่ผมไม่อ่านตับซีดเพิ่มเติมอีกรรยูลุลมุมินุนมินอาหรือฟิลองอุลเนี่ยชายผู้ศรัทธาคนหนึ่งจากพวกพ้องกับฟิรงองอุลเนี่ยรู้น่ะเป็นอะไรเป็นญาติเป็นลูกของลุงฟิรงองอุล บุกกตำแหน่งที่สองเป็นมงกุฎราชกุมารถึงฟาโรด้วยฟังแล้วก็ตำแหน่งที่สามเป็นนายตำรวจในยุคนั้นนะในยุคฟาโร่เนี่ยแล้วก็คุยต่อหน้าฟาโร่เลยคุยว่าไงเลยไหมอะตักตูลูนอรอจูลันอัยากูลรอบบิยาลอพวกคุณเนี่ย ต้องการที่จะฆ่าชายคนหนึ่งเพียงเขากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นรอบของฉันเนี่ยเขาผิดอะไรอ่ะเขากล่าวเพียงแต่อัลลอฮ์เป็นผู้อายบายของฉันนะเขาผิดอะไรพอเราฟังธรรมดาพอเราฟังคนไหมก็ไม่ฟังอยู่แล้วเพราะใหญ่สุนนะ่ะแต่คนที่พูดเนี่นะยญาติตัวเองอะ่ะรับอิสลามอยู่คนเดียว ถ้าพยายารับอิสลามพ่านบีมูซาอาเลยิสลาเนี่ยอลัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเห็น ไ, ไหมฉะนั้นในคนชั่วก็มีคนดีอยู่เหมือนกันเอาวันนี้มาอ่านอายาที่ยี่สิบเก้านี่ยชายคนนี้เหละที่เป็นญาติฟาโร่เนี่ยนะเป็นลูกชายของลุงเนี่ยแล้วก็เป็นมงกุรราชราชชุมานด้วยแล้วเป็นนายตำรวจใหญ่ด้วยพูดว่ายังไงอยัลลอฮ์เล่าเองครับ يا قوم لكم المولك اليوم ظاهرين في الأرض فما ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون มาอุร ك กุมอิลลามะรอว่ามาอเดกุมอิลลา سبيل الرشاد ياقوم لكم اليوم لكم الملك ا, إ, أ ي و م ظ ا ي ر ي ن في الأرض فَمَا يَنْصُرُنَا مِنْ ب َ أ ْ س ِ ا ل ل َّ ه ِ إ ة ٍ ج َ ا ء َ ن َ ا قَالَ فِي رَأْوُن مَا أُرِيكُمْ إلَّا ِ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إلَّا ِ سَبِيلَ الرَّشَادِ الحَمْدُ لِلَّهِ นี่เป็นชายญาติฟิโูนที่อีมานปกปิดอีมานเอาไว้ไม่ได้ประกาศให้ใครรู้พูดต่อที่ประชุมในพระราชวังฟาโรพูดว่าไงหรือมั้งครั้งที่แรกนะพูดไปแล้วทีนึงใจมากคุณจะไปฆ่ามูซาเอรอมูซาเขากล่าวว่าอะไรอัลลอเป็นรอบบีพูดอย่างนี้ อัลลอฮฺพวกเรดีก็ไปพูดอยู่ในกูโบ้เหมือนกันน่ะและ้วคุณจะไปตามไปฆ่านักกูโบ้แหละพูดครั้งประโยคที่สองยาเกามโอมูชนของฉันเอ๋ยหมูชนของฉันเอ๋ยเกามุนแปลว่าหมูชนคนนี้พูดดีนะคนมีศาสนาให้พูดจาดีหมดแต่สังเกตนะคนมีอิหมานมีตกวัในให้พูดจาดีทุกคนนีอัลลอฮฺเล่านะถ้อยคาของญาติฟิรนูน ที่เป็นมงกุรราชกุมารเป็นนายตำรวจด้วยนะพูดประโยคที่สองยาเก้ามืโอ้หมูชนของฉันเอ๋ยละกุมมุลกุลยาวละกุม um เนี่ยแปลว่าเป็นของท่านอันมุลแปลว่าอาณาจักรการปกครองเนี่ย ค, คุณเป็นรัฐบาลนะพูดง่ายๆนะคุณเป็นรัฐบาลนะอันยาวในวันนี้ วันนี้อาณาจักรเป็นของคุณนี่ไฮเกียร์ใช่ไหมยกย่องเตือนฟาโร่เองนะมีอำนาจปกครองประเทศอียิปนะต์นะเตือนสติวันนี้อำนาจการปกครองเป็นของใครเป็นของพวกคุณหมดเลยและต่อมาครับโอฮิรินเป็นผู้ชนะ ไม่มีใครใหญ่เท่าคุณนะวันนี้คุยใหญ่คุณใหญ่สุดเตือนให้รู้วันนี้คุณใหญ่สุดนะเฉพาะในแผ่นดินอียิปต์นะที่อื่นไม่เกี่ยวนะ่ะเพราะนบีมูซาเนี่ยมาสอนคนเฉพาะกลุ่มส่วนนบีมุฮัมมัดมอสามคนทั้งโลกเลยจะด้านใครใหญ่กว่านาบีมุฮัมมัดบนโลกนี้ไม่ได้เอ็งก็จะปฏิบัติศาสนาทิ้งสุนนานะนบีไม่ได้ต้องยึดจากสุนนะนาบี พอนาบีเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกใช่หรือไม่ใช่มูซาเนะ่เป็นบุคคลตัวอย่างเฉพาะในประเทศอียิปต์เท่านั้นในวันนู้นโลฮิรีนาฟิลอาร์ิเป็นผู้ชนะฟิลอาร์ิในแผ่นดินนี่เตือนเตือนฟาโรให้หูตาสว่างและข้าราชการระดับใหญ่ๆบนเลยนั่งอยู่นะในพระราชวังฟาโรนี่ไม่ใช่มูซาพูดนะ ญาติี่น้องของฟิลิปปนต่อมาครับเนตอนสติทำไมยันซูรุนามันแปลว่าผู้ใดยันซูแปลว่าช่วยเหลือนะช่วยเหลือเราใครจะช่วยเหลือเราหรือไม่มีผูดด้ใดจะช่วยเหลือเรามันมิมบะซิจากการบะซุนบวการลงโทษ มินบาซิจากการลงโทษบาซิแล้วการลงโทษของใครของอัลลออินญาอนาถ้าได้มีการลงโทษเกิดขึ้นในโลกดุนยาไม่ใช่อาคิรอ้อ์นะถ้าขณะนี้มีการลงโทษเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ใครช่วยยด้แบบวันนี้โควิดมาใครอ่ ะ, สะแสดงตัวมาสิ ฉันช่วยเองอะ่ะมีใครกล้ามีจะกล้าหาสะดังอะ่ะกูห ล, ลอกฉีดยาเขาแตกกันเมืองนิดเดนะแต่นู่นแต่ให้เอายาโควินไปก็ถูกถูกลินทากันเยอะเนี่ยตายบ้างเป็นบ้างอะไรบ้างต้องสองเข็มหรือสามเข็มก็เป็นการเมืองทั้งหมดนั่นแหละเจนี้ชายคนนี้นะ่ะเตือนฟาโร่อำนาจเป็นของคุณทั้งหมดในการปกครองประเทศอียิปต์ ถ้าหากว่าอัลลอจะลงโทษคุณใครช่วยคุณได้นี่ต้องการจะบอกว่าบนโลกดุนยาใบนี้นะคนที่ใหญ่กว่าคุณมีแต่คุณนึกไม่ถึงเนี่ยตาคุณบอดนะคุณคิดว่าเองเนี่ยมีเงินมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีเกติยศคนที่ใหญ่กว่าฉันไม่มีใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้กันหมดทุกคนนี่แหละแล้วก็เชื่อหมอดูฟาโรห์เนี่ยก็เชื่อเชื่อหมอดู ญาติของฟาโรเองเตือนสติอีกฟาโรอัลฮัมด้วยนี่แหละเตือนเราด้วยเราอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่วันนี้ถ้าอาสาบมนาะใครช่วยได้เจ้นั้นต้องขอดูอา่ะขอดูอาคุ้มครองตัวเราดูอาให้ภรรยาดูอาให้ลูกลูกขอดูอาไม่เป็นพ่อก็ต้องสอนใช่ไหมไม่ใด่อ่ะย่าตะวานอย่าดุอย่างนี้เป็นต้น ชาคนี้พูดดีไหมพูดดีนะยากาเมลากุมลมุลกุลยาลอฮีรินะฟิลอาลุิหมู่ชนของฉันเอย๋ยอาณาจักรในวันนี้เป็นของพวกท่านเป็นผู้ชนะปกครองณแผ่นดินนี้คือในอียิปต์กันเดียวนะที่อื่นไม่เกี่ยวนะฝ่ า, ายังซูรุนามิมบาสิลาฮีอินจาอาณาถ้ามันได้มาเกิดขึ้นแกเราการลงโทษของอัลลอฮ์ใครจะช่วย ก้แล้วฟือโอนเฟืออนตอบว่าไงมาอุรีกุม้มมาแปลว่าฉันไม่ได้อุรีกุมชี้สิ่งใดนะครับฉันเนี่ยไม่ได้ชี้สิ่งใดแก่พวกท่านนี่ยอมรับเบาๆแล้วฉันไม่ได้แนะนําฉันไม่ได้ชี้อะไรสิ่งใดแกบท่านที่ว่าสั่งข้าฟือโอนนะอ่ะไอ้สังข้ามูซาใช่ไหม เริ่มเริ่มเบาแล้วฮะกอละฟิโรนมาอุริกุมฉันไม่ได้ชี้สิ่งใดแก่พวกท่านอิลาม า, ารอา้อนนอกจากสิ่งที่ฉันเห็นด้วยตาเท่านั้นเองลึกกว่า น, นี้ฉันมองไม่เห็นนี่ชักยอมรับเล็กๆน้อยๆแล้วก็สั่งฆ่านะ่ะผิดหรือเปล่านะ่ะผิดนึกว่าถูกนะวันนี้หลายประเทศในโลกที่เป็นผู้นำคนน่ะนะ บางไม่พอใจสั่งฆ่าเองมีสิทธิ์สั่งฆ่าได้หรอเองมีหน้าที่อย่างเดียวให้ประชาชนอยู่สบายแล้วก็สอนให้คนนึกถึงอัลลอฮ์นั่นหลักการต้องเป็นแบบนี้เป็นพ่อบ้าเกินเหมือนกันต้องอธิบายให้ให้ลูกให้ภรรยาความไห้ความสุขความสบายเนี่ยให้ดูนบีเป็นแบบนบีเคยไม่กินข้าวมีไหมมีเอาอะไรนะเอาเอาผ้ามาพันท้องมีไหมมี เอาเหินมาอาทองมีไหมมีนบีนอนบนเสื่อมั้ยั้งชีวิตนบีเป็นแบบอย่างที่ดีนบีไม่เคยนอนบนฟูกนิ่มๆห น, นาสอกนึงอย่างพวกเราที่ไหนล่ะไม่มีต้องต้องนึกตรงนั้นอันนี้ก็เหมือนการเตือนกอลฟิลอูนี่ฟิลโอนจำนึกตัวบ้างเล็กน้อยเลยนะฉันนี่นะมิได้ชี้สิ่งใดแก่พวกท่านนอกจากที่ฉันได้เห็นเท่านั้น ว่าเหมาะสมที่จัดการกาแฟโอไอสจัดการอะไรนะมูซาว่าม า, าดีกุมได้ฉันไม่ได้นำทางสู่เจ้าอินลาซบิลรโรชคือนำทางอยี่ยนี้ไม่ให้เข้าโรคเข้าพงนอกจากหนทางอันที่ยังทำพูดนะพูดดีแต่เนียบสุกปก แลอายะอื่นอะธิบายอย่างนี้ซาบีรอช่าวแต่ว่าทางที่เที่ยงทำรรเนี่ยในฟาโร่โไม่มีเลยในฟิร์นนี่ไม่มีคําว่าหนทางที่เที่ยงทำนี่นึกเองเนะพ่ยผู้ดใดนะฉันไม่ได้ชี้ น, นํานอกจากทางนําที่ถูกต้องที่เที่ยงทำก็พบในอายะอื่นอะธิบายอย่างนี้ว่ามาอัมรุฟฟิรนะ์นอว์นบีรอชีดคาสั่งของฟาโร่โ ไม่ชอบทำไม่มีอะไรถูกต้องเลยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยสั่งเธอเรื่องผิดผิดผิดผิดแล้วก็สะใจตัวเองนี่ชายคนนี้ญาติพี่น้องมาเตือนให้สํานึกตัวตัวหลวงว่าในะอิสลามเนี่สอนให้พวกเราเนี่ยนักสิหัดกันใช่ไหมให้เตือนกันใช่ไหมอ่าให้มีคนเตือนกันนี่เ่นมีนมาศวันศุกเนี่ยมีคนบวนคุดบ้านานี่ไปการเตือนกันทั้งหมดเลยไม่ให้ตะ ก, กบดปูดแน่กูใหญ่ ใครมาเตือนกูนไม่ได้ก็แน่นอนเตือนไม่ได้ก็เอออ่นอ่านกูอ่านสอนิอ่านกูอ่านก็จะได้ข้อเตือ น, เ ต, อนเตือนใจโอ้เราเตือนอย่างงี้เตือนอย่างนี้นี่เตือนว่าถ้าหากการลงโทษมาใครช่วยได้เข้าใจนะการลงโทษมีไหมมีอย่างนี้ตัวมาฆยาที่สามสิบ وقال الذي آ م ن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وقال الذي آ م ن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب อาะฮาบ a l ฮัมด u ลิล l า h อย่าลืมนะชาคุนี้เป็นญาติฟารโรนะเตือนอีกขอ้อหนึ่งญาติฟารโรคนี้เป็นราชูมานมงกุฎราชูมานแล้วเป็นนายตำรวจด้วยนั่นแต่ตับซีนะนะอธิบายเตือนอีกว่ากอ น, นลลลีนาะมะนะและ ผู้ศรัทธาชายคนนั้นแหละคนเดิมเนี่ยนะกล่าวต่ออีกว่ายาเก้ามีมูชนของฉันเอ๋ยอินนีแท้จริงฉันอาขอพูดฉันกลัวพูดสองครั้งนะอินนี้เรีว่าแท้จริงฉันอาขอพูดฉันกลัวแท้จริงฉันฉันกลัวอะไรกุมแทนพวกเจ้า ถาว่าเอาความรู้มาจากไหนเนยคนคนนี้น่ะเอาความรู้มาจากนาบีมูซาระอิยูสลาบนบีมูซาร์คนจะสอนนะเก่งมากกันแน่นี่ขนาดนี่คนที่อิมานเนี่ยความรู้อยู่ในสมองเต็มมปเลยเนยมองพวกภาพอาคิอรอ์ร้อมองภาพดุนยาออกชัดเจกว่าดุนยาโลกมีไหมโลกดุนยานี้มีการลงโทษโลกอาคิอร์ร้อ ก, ก็มีการลงโทษ ด, ด้วย อินนีอาข้ฟูอาไลทุมแท้จริงฉันฉันกลัวแทนพวกท่านมิสละเยี่ยงหรือเหมือนเยาวมิลาซาบวันแห่งพวกสหพักหลายๆกลุ่มที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยรวมตัวกันเล่นงานนาบีนะ่ะผ่านมาแล้วใช่ไหมชายคนนี้รู้ใครสอนนบีมูซาสอนได้เตือนฟาโรให เองใหญ่ขนาดไหนก็ตามถ้าอัลลอฮฺจะเล่นงานคุณบนโลกดุนยาไปนี้เนะี่ะใครช่วยได้คุณคิดว่าไม่มีใครใหญ่กว่าคุณกันนั่นเหรืออย่างนี้เป็นตน้นนี่เป็นการเตือนนะนะเตือนอบีมูฮัมหมัดให้รู้ว่าคนที่เล่นงานอับดุียร์ถึงมรการเห็นนะไหมวางแผนคนที่ใหญ่กว่าพวกนี้มีไหมมีอย่างนี้เป็นตน้นนี่เตือนเตือนเตือน เตือนเตือนเตือนเตือนสตินะครับตกลงว่าต้องการจะเตือนว่าอาซาบนโลกดุริยามีไหมมีแล้วก็อาซาในโลกอาคีร่อนมีไหมมีเอาเตือนสติข้อที่สามสบเอ็ดอายาที่สาอยกตัวอย่างว่าบนโลกดุริยาใบนี้ก่อนหน้านบีมูซาเนี่ยมีกลุ่มชนที่มาก่อนหน้านบีมูซามีไหมมีและพวกนี้เอาศาสนาไหม ส่วนใหญ่ไม่เอาไอ้ที่เอาก็ปลอดภัยไอ้ที่ไม่เอายกตัวอย่างมิสลดบิควนูฮิวดะวมูดลีนมิบดห์มวมะวมลลฮยูริดุลมลบ มิ صلدأ بقو من حي وعد وتمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلم للعباد ขอบคุณท <ت ص> ี <في> ่ม <ق> ีความรู้ดีนะได้ความรู้จากนบีมูซา คงจะรับอิสลามมานานแล้วนะนะแล้วก็ปกปิดอิมาอว้ไม่แสดงให้ใครรู้มิสลาแปลว่าเหมือนหรือเยี่ยงดาบีเนี่ยแปลว่ากรณีหรือธรรมเนียมหรือสันดานสัพเดิมของมันนะดาบุญเนี่ยดบ้าแปลว่ากรณี เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมิสละดาบิเกาเมนเยี่ยงกรณีหมู่ชนของนัวในอดีตที่ผ่านมาเขายกตัวยอย่างให้ฟาโรได้ยินนะั้นด้รู้กลุ่มนัวก่อนมาก่อนหน้าคุณได้ทรยศต่ออลลั่นแล้วอลลั่นลงโทษมาแล้วนะฟาโรเอ้ย เองอย่าหลงนาะอย่าหลมอำนาจนาะสองกลุ่มที่สองอารกลุ่มอารตี่นะบิสซ้อนแล้วมาทําลายไปแล้วนะฟาผ่าอัลลอฮฺฝนตกเป็นอะไรนะเป็นไฟอ่ะแล้วก็ลมหนาวมาสมุทรเนี่ยอารสมุทรเนี่ยนะลมหนาวมาตายหมดเลยอ่ะเจ็ดวันแปดคืนอะไรพวกเนี้ยนะในกะุรอานอนะัิบะลาว นี่แสดงว่าชาวกนนี้ก็เรียนอิสลามจากนบีมูซามาอันีเริยม น, นะผู้จาดีขอลเราได้เก็บถ้อยคาที่คุยกับพวกกลุ่มฟาโรเนี่ยนะให้นึกถึงอวะอัลลอฮ์นี่เขาเรียกว่ากาละกาลดาวา่าอะดาว่าตดาว่าตอนหน้ า, า, า, นากษัตริย์ที่อธรรมนี่การดาว่าที่ถูกต้องเลยนะ ้ราเนี่ยจะ ว, วาพัว ก, กันเองนะ่ะเดินทางสู่เราเอ้ยมาสมานนะมัน้ำมัสถูกด่าวรานะแล้วมันก็าารเรยมำมันด่าเล็กๆแต่นี่เล่นกับกระสัดเลยนะ <c oughs> เล่นกับกระสัดเลยนะด็อกเตอร์ลุตซี่มาเยี่ยมผมหลายปีมาแล้วปามาทำมาจะไหนก็ไปพี่น้องเชิญพี่น้องดาวา ถ้าไทยทรงอสานน่แวะมาเยี่ยมเยื่อ ม, มาเลยเชิญคนกาฟเฟแต่รูปแบบนี้ก็กระทำกันเป็นบางคนเท่านั้นนะแต่ถ้าทำเป็นยามาเนี่ดีใช่ไหมเรานี่เป็นหัวงมุสลิม ก, กันเองนะตัวันเนี่ยกาฟเฟสเราก็คงจะเข้าไม่ถึงเลเนาะจะไม่ไปรายแค่นี้ก่อนตัวลงอเะชายคนนี้เนี่ยนั่งประชุม ต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรห์ผู้อัธรรมในประเทศอียิปต์นะคนที่มาก่อนหน้าฟาโรห์มีไหมมีเช่นเกามุนักนวกลุ่มชนของนัวกลุ่มชนของอาร์กลุ่มชนของสมูธใช่ไหมสามกลุ่มนี้ได้อารม์ทำลายหมดแล้วนะครับเอานัวเนี่ยทาําไยจมน้ําตายใช่หรือไม่ใช่คนที่ขึ้นเรือปลอดภัยใช่ไหมอาร์ตสมูธก็กุ่มการมี มีฝนตกลงมาเป็นอะไรนะเป็นไฟแล้วก็หนาวเหน็บจนกระทั่งตายใช่ไหมวัน ล, ละีนมิมบาดิหิมหลังจากอาสมูดนัวแล้วหลังจากพวกนั้นอีกมีใครมาหรือเปล่าเกาหมูลูดพวกลูดคำว่ามิมบาดิหิมเนี่ยหมายถึงพวกนบีลูดที่เด็ดสิปัจจุบันเนี่ยนี่เตือน นี่ญาติฟาโรค่คนนี้เตือนฟาโร่ให้คิดนะที่เดซีนี่นะคุณเคยไปเที่ยวมั้งหรือเปล่าจะบันหานั่นนะ่ะเดซีมีทําไมก็พวกพวกผู้ชายกับผู้ชายร่วมหลับนอนผู้ชากับผู้ชายอยู่ด้วยกันเองนิก้ากันเดี๋ยวนี้กฎหมายออกมาเยอะแล้วเนี่นะใช่ไหมผู้ชากับผู้ชายนิก้ากันได้ผู้หญิงกับผู้หญิงนิก้ากันได้ใช่ไหม ก็เล่าว่าโลกดุนยาในยุคนี้โอ้โหมีทุกอย่างของคารามที่ในอดีต ท, ที่อัลลอฮ์ห้ามไว้นะมีครบทุกอย่างในโลกนี้นะครับเอาต่อไปทาวาอัดสมูธรอดไหมไม่รอดกามูลูดเดฟซีรอดไหมไม่รอดแล้วฟาโรห์จะรอดเหรอนี่เตือนให้รู้นะฟาโรห์เองก็ถูกเหมือนกันแล้วถูกแล้วไม่ถูกฟาโรห์ถูกไหม ทุกแต่ยังไม่ยังไม่ถึงเวลาเอาต่อมาวามลล่ามลและอัลลอฮ์เนี่ยไม่อยู่รีดูไม่ประสงค์รุลมันอาธรรมการอาธรรมเลนไหนบา้าต่อปวงเบาของพระองค์ อลัลลอ์ไม่เคยอาธรรมต่อปวงเบาของพระองค์ได้ลงโทษทำไมพราะมันทําผิดเองใช่หรือไม่ใช่ก็ส่งนบีมาแล้วไงอย่าลืมว่าก่อนที่อลัลลอ์จะลงโทษใครเนี่ยอลัลลอ์ส่งนบีเฉลงความเมตตา ม, มาสอนก่อนสังเกตนะประเทศใดก็ตามก่กอนเจะลงโทษเนี่ยนะอลัลลอฮ์ส่งนบีมาก่อนทุกนบีเลย ส่มาส่งมาส่งมาส่งมาส่งม า, งมาฟาโร่ก็ตอนที่มันฆ่าเด็กใช่ไหมฆ่าประกาศฆ่าเนอสองครั้งนะแต่ทําสําเร็จครั้งเดียวมึงครั้งแรกเน่ยตัวตอมานี่ยทำอะไรไมันก็อัลลอฮ์คุมครองหมดเลยนะครับแล้วส่งอาดามาหมดเลยให้จมน้ําตายนั่งอนะ่ะเห็นไหมก่อนที่จะลงโทษอัลลอฮ์ส่งนบีมูซามาก่อนเบื่องพวกเราเ น, นี่ยเราจะส่งอาเลมอัลเลมาสอนก่อน อย่าทำอย่างนี้นะอย่าเล่นการพนันนะอย่ากินดอกเบีย้ยนะอย่าทำรีนานะถ้าไม่เชื่อเราก็เล่นเล่นงานอนะวนัวนวันบานทีละคนละคนละคนละคนอย่างนี้เป็นตนนะครับต่อมาครับอายาที่สามสิบเอ็ดนี่ญาติของฟาโรนี่เตือนดีไหมเตือนดีนะครับต่อมาอยาตที่สามสิบสอง วยาเก้ามอินนีอัครฟุ่ง علي คุมเย้ามัตนาดะยาวยาเก้ามอินนีอัครฟุ่ง علي คุมเย้ามัตนาเดะยาก้ามดูสับนะโอ้มูชนของฉันเออย อินนีแท้จริงฉันอาคอบุฉันเหมือนกับอายาที่ส0สิบคล้ายๆกันนะสามสิบสองกับส0มสิบดูคำแปลดิคล้ายๆกันอินนีอ า, อาคอบวายกุมฉันกลัวแทนพวกท่านก็ใจ น, นะยาวมัานายาวมุนแปว่าวันอัตนาแปลว่ามาจากศัพท์คำว่านาดาอยู่นาดีแปว่าเรียกอ่า วันกิยามะเป็นวันหนึ่งที่ผู้คนจะเรียกหากันใครเรียกหนาะใครได้ไหมชาวสวรรค์กับชาวนรกสองกลุ่มจะเรียกหากันนี่เป็นเรื่องจริงคนที่ทำความชั่วตกนรกหมดถ้าไม่ตะบ้าตัวก่อนตายคนเป็นมุสลิมทาความผิดก็ตกนรกก่อน ถ้าเต่าบ้าตัวก่อนตายเอาเให้เข้าสวรรค์หมดทีนี้เมื่อเข้าสวรรค์กับนรกแล้วเนี่ยคนสองกลุ่มเนี่ยตาหน้าต่างคนต่างคุยกันเรียกหากันรู้ไหมเรียกอะไรครับในกุรานอธิบายกุรานนะวานาดาอัลฮบุนนาริอั ั ص ح ا ب ا ل ันอ أن أصيروا ع ل ي ม ا من الماء أو مما ر ม ق ك م ا ل ل ก س و ุ ة آraf آية ที่ห้าสิบชาวนรกจะขอร้องจะเรียกชาวสวรรค์อัน أ ีด د อ ا ลัยนาจงให้แกเราหน่อยขอหน่อยขอน้ำเย็นๆให้เราดื่มห น, น่อย นี่ออลลอฮฺเล่านี่เด็กชายหนุ่มคนนี้ที่ญาติฟาโรห์เนี่ยเล่าในในวันเกียรมาหลังจะตัดศินแล้วนี่นะชาวนารกจะขอน้ํำชาวสวรรค์เรียกว่ายามาดตานาดใช่ไหมนี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อเรื่องพวงเองมีปัญหาเราเพิ่าลามมันจะบังคับออลลอฮฺมาเคยบังคับใครให้เชื่อว่าต้องรับอิสลามนะ่ะเปล่าให้ใช้ปัญญา เพราะท่านเป็นสิ่งสูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดคือคนจะทำตัวแบบแบบแอนิเมลแบบสัตว์นะตัวลงว่าชาวนรกจะขอร้องสาวสวรรค์เรียกนะขอน้ามกินหน่อยแล้วคำตอบว่าไงรู้ไหมอินนัลลอฮรรมอุมะลัลกาฟิรินคนชาวสวรรค์ตอบว่าเอาลองห้ามฉันไม่ให้ยืน่น อยู่บนดุนยานะ่ยยื่นได้แต่ในอาคิรอนเนี่ยมุสิิ์ยืน่นขอน้ามนะัชิตุเสนะียร้อนขนาดนะอยู่ในนรก น, ะนึกภาพเองอยู่น้องอัลลอฮฺนะครับขอน้ํามช่าวสวรรค์ช่าวสวรรษนนีะ่อยากจะให้อัลลอฮ์ห้ามฉันไม่ให้ให้คุณเป็นไงครับเรื่องที่สองกับช่าวสวรร์ถามชาวนรก สุราอารฟอายีนวะอัลฮบุลันนตีอัฮบนนารอันวะกัดดะนามาวะกวะจดะนามาวะอดะนารบบุนาฮกฟฮลวะจัตุมมาวะอดะรบบุุมฮกกอลูนชาวสวรรค์ถามชาวนรก ในทุกมาชาตินนะนูนในสวรรค์ในสวรรค์นูนนถามว่าไงนะพระผู้อภิบาลของเราเนี่ยเราได้พบคำสัญญาที่อัลลอ์บอกว่าถ้านามาอันกุนอานซิกุลล์ทําดีกับพ่อแม่ศรัทธานในอัลลอฮ์องเดียวนะฉันจะได้ของที่อัลลอฮ์ประทานให้สัญญาฉันได้รับหมดแล้วฟาลันต ah um ุมคุณได้รับ อะไรหรือเปล่าสัญญาที่ว่าตกนโลกจะเจอนั้นเจอนี่เจอยังกอลูนาะชาในโลกต่อว่าครับพบแล้วครับใช่ไหมนี่เล่าให้ฟังแสดงว่าในวันเกียร์มาอยู่ในนรกสวรรค์คุยกันได้ไหมได้จะเห็นแบบไหนวันลอของอาลัมจะเห็นแบบโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าไม่รู้อาจจะ ง, ง่ายกว่านี้หล่ะดิ้นอยู่ในน้ำอ่ะ น้ำเดือดพลักผลักพลั ก, ลกยกตัวอย่างอะ่ะถ้าคุยกันน่ะนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี่ชายคนนี้นะ่ะมีความรู้ดีนะบิมูซาสอนอยังไงเลารอเขาทำเลยแล้วล่าให้ฟาโรหฟังแล้วก็มีเสียงพูดบอกว่าแค่จริงคนซอเลมเนี่ยจะได้รับการสราบแช่งจากอัลลอฮ์ตลอดเวลาออะเรื่องที่สาม วนาดออา أصحاب الأعراب رجال يعرفونهم بصيماهم س و ر ร أ ع ห ا อ آية ที่สี่สิบแปดคือชาวอารอบหมายถึงคนที่ผู้ที่ครองตำแหน่งอันสูงนะครับหมายถึงชาวอารอฟเรียกชาวนรก ต่างคุยกันนะนะชาวสวรรค์เรียกชาวนารกบอกว่าชาวนารกนี่อ่านอธิบายงี้ย่ารีฟูนับิซีมาหุมมองที่ใบหน้าก็รู้ว่าชาวนารกหน้ามองคล้ำไม่มีเครียดตลอดเวลาเลยนะ่ะหน้ามองคล้ำอยู่บนดุนยานี่ยจะเห็นนะคนที่คเครียดหาทางออกไม่ได้นี่นะเครียดก่อนแล้วก็มองเชือกผูกคอตายดีกว่ามื่องานนี้ เอาเมียด้วยเอาลูกด้วยคิดเองหมดเลยเราทำไหมชาตตอนอยุ่มทำเลยที่ข่าวประจําเม็นเลนี่ยก็เหมือนกันแต่ว่าฆ่าตัวตายไม่ได้วันนั้นตายไม่ได้ไม่ตายครับอยู่ไปตลอดจากนั้นชาวนรกกับชาวสวรรค์คุยกันชาวสวรรค์เห็นชาวนรกนารู้เลยใบหน้าของเขาเครียดแต่ใบหน้าของชาวสวรรค์มีทัศสมีเพราะโลกบางครั้อานน้ำนำมาบตางกันไหม คนกาเฟ่ไม่เคยอาบน้ำนมาเลยอาบน้ำน้ำอาบน้าจริงน้ำของออลลอจริงแต่อาบน้ำน้ำมาดไม่เป็นสังเกตอาบน้าจุนุ๊ไม่เป็นทั้งชีวิตเลยน่ะนอนกับผู้หญิงจะอาบน้ำเดน่าบ้างไม่เป็นน่ะในชีวิตใดบิสมิลลาห์ไม่เคยกาขอบคุณอลลนะอัลฮัมดุลิลลาห์สักคไม่เคยขอบคุณอลลอนะข้าห้องน้ำก็เข้าไม่เป็นไม่เห็นหรอขาห้องน้าซ้ายบ้างขวาบ้าง ทางไหนก็ได้กูไม่แค่พรัโลกนี้เป็นของกูอ่ะก็เอาไปส่แค่โลกดุาอย่างเดียวโอ้ตัวลวงว่าชายเนี่ยอายาที่สามต้องการจะพูดว่าคนคาเฟไปยอมรับว่าเงินช่วยอะไรไม่ได้ครับมาอานากรุมยามอกุมเงินที่สะสมไว้ช่วยไม่ได้เลยวันนี้พี่นอ้องในประเทศไทยนี่หลายคน่ะ ชื่ออะไรอยู่ะไปเอ่ยชื่อเลยนะมีบ้านสิบหลังมีรถเป็นหลายสิบคันมีเงินนธนาคารเยอะตอนป่วยเป็นโรคมะเร็งบ้านสิบหลังช่วยได้ไหมอ่ะเงินอีกหลายร้อยล้านธ น, นาคารช่วยได้ไหมอ่ะญาติพี่น้องช่วยได้ไหมอ่ะและ้วยาจะมาสักกี่วันเระก็เดือนหนึงผัวมาทีนึงใช่ไห เพื่อสำนึกอะตอนี้ทางนำไม่มีเพราะไม่มีใครไปชี้ทางนำว่าไอ้ที่ดีกว่านี้มีคือรู้จักอัลลอฮ์ราซูลนั่นแหละเป็นทางนำที่ปลอดภัยที่สุดทั้งดุนยาและอาคิ่เราจะเป็นหน้าที่ของพวกเราต้องไปบอกเขาว่า น, นะอัลลอมาอัลลอฮฺอ3ลลอฮฺยามาตุลลูนมุดบิรีน ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاج يوم تولون مجبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله ฟ้ามาแล้วมินเฮดอ้ยานี้ตังการจะเล่านะเมื่อได้ยินเสียงเสียงร้องของนรกคือนรกเนะี่ยเป็นยางงี้นะเห็นคนไม่นามาดไม่ได้อมอยากจะขยาอยากจะอะมาม่าอยู่กับฉันนี่ เห็นคนไม่นามาเห็นคนไม่ใจรักกาเห็นคนทำสีนาเห็นคนชั่วไม่ได้เนี่ยอยากจะอยากจะรู่ด้วยนะหมากูดินี่นะเล่าให้ฟังนะผานชายคนนี้ย่างนั้นนะเยามาตัวันลูนวันซึ่งพวกท่านจะหันหลังหันหลังไหน หันหลังตอนนี้มีมีคำอธิบายอยู่สามหนึ่งหนึ่งหันหลังจากนรกสองหันหลังจากการตัดสินเราตัดสินแล้วเองไปนรกจะหนีหันหลังจะหนีน่ะหนีรอดไหมบนดุนยานี่พอหนีรอดนะแต่นี้นึกว่าตัวเองอยู่บนดุนยาหรือเปล่าหนีไม่รอดค่ะไม่รอด วันซึ่งพวกท่านจะหันหลังกลับมุดบีรินเป็นผู้ถอยหนีหันหลังกลับเป็นผู้ถอยหนีหลังจากได้ยินการตัดสินของอัลลอฮฺแล้วหลังจากได้ยินเสียงนรกเรียกแล้วหลังจากรับนังตะไลน่ารับอะไรสมุดบัญชีมือซ้ายแล้วกุตบตาภัไหนไม่รอดแล้วอยากจะหนีน่ะ เขาต้องหาตัวช่วยแต่ใครช่วยครับมาละกุมมินัลลอ์ไม่มีตัวช่วยจากอัลลอฮ์การลงโทษเมื่อกมาการลงโทษมาตัวช่วยไม่มีมินาซิมผู้ที่ช่วยให้พ้นจากการลงโทษมีไหมถามเนะี่ยมีหรือไม่ไม่มีครับ เมื่อตัดสินปั๊บตัวช่วยให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอ์ไม่มีใครสักคนหนึ่งยกเว้นคนที่เป็นมุมินอัลลอ์ช่วยให้น บ, บีมุ h a m ช่วยประคองว่าเอาเอามา อ, าอยู่กับฉันนี่มานี่มานี่มานี่มานี่อย่าลืมนะมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เรียกว่าเออชฟาเข้าใจไหมท่นคนที่จะได้ชฟานะ่ะต้องลุกขึ้นมาตะฮัยุดบ่อย แล้วก็อ่านอัลกุรอานสุราบะกอรอเยอะๆนี่นนตัวชวาฮันเลยช่วยหมดเลยอ่ะแล้วก็อยู่ในนครมาดีนาเนี่ยทําอุปราชใช่ไหมอย่าไปบน่นเยอะเพราะติดนิสัยบ่นที่เมืองไทยเนะ่ะบ่นลงตูนบน่นพระจำ้ำทูสามนิ้วอักกันเบ่งเล็กๆน้อยไปยนะติดนิสัยไปบ่นที่มาดีนะาเองเจอนะ่ะเพราะฉะนั้นนั่งยังเงี้ยบางไม่ได้เลย คนทปนมุสลิมนั่งเงียบๆขอดมากตลอดอย่าลืมนะประเทศใดที น, นบีสอนเองในะประเทศใดก็จะเมื่ออัลลอฮ์โกรธคนประเทศนั้นจะสวมผู้นํำที่แย่มาปกครองเห็นอย่างครับนิ่นบีพูดเองนะกัฟารโรม่เป็นไงล่ะสวมผู้นาฟารโร่มามาปกครองแล้วเป็นไงครับหนักกว่าเกาอีกนะครับอย่างนี้เป็นต้นทําผิดหนะ ก็ทรงผู้นำมาผู้นำอธิอธรรมมากกับเขาอีกมันเล่นงานต่อเอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับตัวหลวงาตัวช่วยมีไหมไม่มีว่าไม่ยุดลิลยุดลินบวบลาลหลงทางผู้ใ ด, ดที่อ ah ัลลอปล่อยให้เขาหลงทางทำไมปล่อยแลยพี่น้อง พอไม่เอาอัลลอ์ไม่เอาซุนนะนบีมาเข้าบ้านตัวเองเอาล่อยเลยปล่อยเลยเอาไปพอปล่อยปับ๊บได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงได้ตำแหน่งได้ผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนะอิสระเข้าบาร์ตอนไหนก็ได้เที่ยวบาร์ไหนครับมองใครก็ได้อย่าลืมมาพูดด้วทางตามีอายะหนึ่งใช่ไหมที่อ่านอาทิตย์แล้วเนี่ยคออินาตุลอายุนดวงตาที่ทรยศ ทั้งล่ะก็มีสายตาควบคุมตาไม่เป็นอ่ะแต่อิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้มุ่งมินควบคุมดวงตาตัวเองควรจะมองผู้หญิงหรือไม่มองมองได้กี่ครั้งท <c oughs> ี่อิสลามแต่ถ้าให้เรียนอิสลามจะรู้ไหมนึกว่าตากลัวควรจะมองกี่ครั้มงมาเรื่องต้นตันักเองคิดเพนะ ตามีแต่เอาว่าว่าคออินาตุลอ า, อายนุนระวังลูกดนะดวงตาที่ทรยศมองแล้วมองอีกผู้หญิงนั่งอยู่ในบ้านท่านเนะีย่ยนี่เอาล็อเตือนน่ะเตือนถึงขนาดนี้นะ่ะนั่งอยู่กับภรรยาคุณนะ่ะแล้วผู้หญิงคุณเนี่ยก็สวยนะมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกอะไรวะไม่รู้จักอะไรเลยสักอย่างหนึงเลยเนี่ยเรียนศาสนามาตั้งเยอะจะเป็นเป็นแขลงมาตั้งนานแล้วยังไม่เข้าใจ อ, อิสลามเลย อ, อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ในคุอานอธิบายดีนะว่าไม่ยุ่เรล่อผู้ใดที่อัลลอฮ์ปล่อยให้หลงฟามาลาหูมินฮาสำหรับเขานั้นไม่มีผู้นำทางถึงส่งคนมาสอนเองก็ปฏิเสธดาเขาเอกเนไปไปห่างกูมายุ่งกับกูไม่ไหมมีครับคนรู้จักกันเยอะฉต่ด้านอิสลามเป็นมุสลิมสอนงันนี้นไม่ได้ มุสลิมต้อง น, อน้อมถ่อมตนน้อมน้อมถ่อมตนเชื่อฟังยอมรับอันนี้เป็นต้นนะครับนอมน้อมถ่อมตนอายัสุดท้ายครับอายัสุดท้ายนี่เรื่องเรื่องใหญ่นะพี่น้องเข้าใจอิสลามถืออิสลามแบบสงสัยเนี่ยได้ไหมอ่ายึดอิสลามแบบสงสัยไม่ใช่พันเอร์เซนสงสัยนรกจะมีหรือเปล่า อัลลอฮฺมีแน่หรือเปล่าวะมุมาดเดชื่อได้จริงนะสุนนะนบีนี่จริงนะอย่างนี้เป็นต้นผมคุยกับใครนะอย่าเล่าเลยไม่เล่าไม่ดีวะแล้วก็จะ accumulate มิ่งกบลูบินไบยินะ فما زلتم في شك م م ا ج ز أ ك م ب ِ حتى إذا هلك ك ل ت م لين يبعث الله من بعده رسولا كذلك يدل الله من هو مسرف مرتاب الله أكبر. ولقد جاءكم يوسف من قبل ب ا ل ب ي ن ا ت فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هادع ق ุณทุ่มเ ل ่นยับหาซัลลัลลําิُบั้งดิฮิรษูลา”คดัลก็ยุติลลุลลาหุมันหัวมุสลิฟุมุรตาบะ”ขอขอบพระคุณพระเจ้าอัลลอฮ i ข้อค a ามนี้ i อ่ยชื่อนบียู a l a ฺ ชีวิตของน บ, บียูซุฟมีลำบากเราหลายเท่านะใช่หรือไม่ใช่ญาติพี่น้องตัวเองจับน บ, บียูซุฟโยนใส่บ่อนึกภาพอายุขิ้นเจ็ดแปดขวบเองอัลลอฮ์เล่าเรื่องบันทอิสราอีลไม่ได้เบี่ยงมุมมาฟังพวกยิวดูโกรธอะไรน่ะอัลลอฮ์เล่าเรื่องตระกูลฉันนะ่ะในทางที่ไม่ดีก็เองทำอะไรไม่ดีไว้่ะ นบียุซุบมีพี่น้องทั้งหมดสิบสองคนสิบสามคนใช่ไหมยากูบเน่มีภรรยาสองคนไอ้เรื่องอิจฉาริษยาเนี่ยมันมีมานานแล้วนะมันน่าจะเลิกได้แล้วนะเพราะนบีประมาทมีภรรยาทั้งหลายคนเขาทะเลาะ ก, กันเปล่าเปล่าเอานิสัยส่ใครมาใชาอ้อะเนี่ยต้องทะเลาะกันต้องด่ากันต้องอิจฉากันเอาอะไรมาใชา้ น บ, บีเป็นตัวอย่างเป็นครอบครัวตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีที่สุดไม่เอามาใชา้น บ, บีไม่เคยทะเลาะ ก, กับภรรยาไม่เคยทะเลาะ ก, กับลูกๆครัว บ, บา้านนบีมีเป็นแสน่นเคยยืนทะเลาะ ก, กันเลยไม่มีอนมันธารมะญาตดีอย่างนี้ไม่เรียนเอาต่อมาครับว่าแล้วก็จะอากุมโดยแน่นอนยิ่งยะอากุมไดมายังสู่เจ้าแล้ว ยซุฟนบียูสุฟจำท้าสเกตนะเราจะเอ่ยชื่อนบีที่มาก่อนหนะ้นานบีทั้งหมดเอ่ยชื่อหมดเลยยนะูสุฟมูไซซาอัลย์ยะแต่นบี ม, มุ hammad ไม่เคยเอ่ยชื่อ ม, อมุ h ม m m a d ตรงๆเรียกวนะ่านงยะอายูฮ ah uh ัลมุซามินยะอายูฮัลมุดดัสสิดใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเป็นการให้เกียรติกับนบี ม, มุ hammad มากกว่านาบีท่านอื่นๆในโลกใบนี้ยูสุฟมิงกอบลูกก่อนหน้านี้ บิลไบยนะีนาดะ บ, บิยูซุปเนี่ยมานําเอาหลักฐานมาอัลลอฮ์ด บ, บิยูซุปนี่นะอยู่ในบ่อกี่วันไม่รู้นะอัลลอฮ์เมตตาใช่ไหมให้คนไปไปตักน้ําะ บ, บิยูซุปเกาะกระป๋อมออกมาอัลลอฮ์ใช่ไหมแล้วก็พาไปขายนะพาไปขายที่ตลาดอียิปเนี่ยเมืองอียิปต่อการจะบอกว่าก่อนหะน้ฟาฟาโร่ก็มีนบีมานะ มืชาห์มูซามาแล้วจบก่อนห น, น้านบีมูซามีน บ, บียูซุปมาฟารโรเปิดหูเปิดตาได้แล้วต้องการจะสอนแบบนี้นี่ชายคนเนี้ญาติจำญาติฟาโรเนี่ ย, ยแล้วก็ชีวิตของฟารโรชีวิตของยูซุปเป็นยังไงอ่าซื้อไปใช่ไหมไปอยู่ในบ้านแล้วก็รูปหลอเอกอลอวะวะวะวะล็อกวัดวัดแล้วผู้หญิงพระยาของอะไรน่ะ ขา er os, ment, ้าราชการระดับสูงคนนึ่งปั้มยูซุฟต้องการจะจะนอนด้วยยูซุปไม่กล้าทําความบาปน่ะรีนามไม่ทำน่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ใส่ร้ายไปติดตั้งติดติดคุกอย่างนี้เป็นต้นน่ะนี่ติดคุกในถูกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดอะไรเลยเพราะผู้หญิงใส่ร้ายว่ายูซุปทํารีน่ากว่ตัวเองติดอยู่กี่ปีหรือเปล่าเจ็ดปีในตับซีสอธิบายจะว่า ที่แกอัลลอฮ์ต้องการจะให้ติดสักสองปีแต่ยูซุปเนี่ยไปขอร้องชายที่ออกจากคุกสองคนใช่ไหมอีกเขาฝันบอกว่าฉันเนี่ยอะไรนะเอาอาหารให้สัตว์แล้วก็ยูซุฟบอกว่าคุณเนี่ยมีนกมาจิกที่ศีรษะคุณจะถูกประหารชีวิตแล้วคุณเนี่ยจะออกออกจากคุก ยูซุปก็ บ, บอกกับคนที่จะออาากจะคุกว่าไปบอกกษัตรสิฉันเนี่ยติดคุกด้วยความไม่ไม่เป็นธรรมคนที่ออกไปลืมจน ก, กระทั่งกษัตร์มาฝันเองอะ่ะทำไมลืมลอัลลอฮฺพระยูซุปไปขอความช่วยเหลือจากคนทีแรกอลัลลอฮจะให้ออกแต่เพราะใจร้อนเนี่ย กั่ใจร้อนใจเย็นเนี่ยเป็นศาสนาเหมือนกันนะถ้าจะมาจะเป็นอย่าใจร้อนเยอะใจเย็นเยนใจเย็นเยนไว้ดีกว่าใจร้อนนะเลยให้ติดคุกนานเจ็ดปีอยู่ในคุกก็สอนศาสนาได้ไหมได้นี่ประกันจะเตือนใครที่ติดคุกสช่ไหมก็ต้องอยืนอยู่ในคุกก็ต้องทำงานศาสนาด้วยอย่าจะอยู่อย่างเดียวยงีเงี่ยไม่เอาสอนต้องต้องลงทุนต้องเหนื่อยหน่อยอะไรหน่อยอตัตวมาครับบิลบายินาท นำเอาหลักฐานที่ชัดแจ้งมาประวัติศาสตร์จะมียูซุพเราต้องเรียนกันนะแล้วก็ น, นึกด้วยแล้วก็จำให้สอนให้ลูกด้วยให้ภรรยาฟังด้วยฟามาซิลตุมฟามาซินตุมไม่ได้หยุดอยู่ยังคงอยู่ซิลตุมแปลว่าไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เขาเนี่ยอยู่ในใจของเขาตลอดเวลาอะไรรู้ไหม ฟีชักกินอยู่ในการสงสัยสงสัยว่านะว่าคําสอนของอิสลามที่ผ่านนาบียูซุฟเนี่ยจริงหรือไม่จริงอัลลอฮ์มีจริงหรือเปล่ายูซุฟเป็นนบีจริงหรือเปล่าแล้วก็คําสอนของยูซุฟที่สอนน่ะจริงหรือเปล่าก็นี่ก็กา ร, การสงสัยการสงสัยแบบนี้นี่นะเป็นความชั่วครับ คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยสงสัยมันต้องไม่ให้มีต้องพยายามเคลียร์ให้หมดเลยฉันบิลีฟอินอัลลอฮ์องเดียวนะฉันเชื่ออัลลอฮ์องเดียวอัลลอ์มีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วฟื้นจริงมีการตัดสินจริงแล้วก็มีให้รางวัล น, นรกจริงมีเป็นต้นต้องศรัทธาพันเป์เ็หข้อเนี่ยต้องมั่นใจแล้วก็อิสลามดีห้าข้อต่อมาครับ มิมาจะกลุมต่อสิ่งที่เขาได้นำมาให้พวกทันถ้าสงสัยในสิ่งที่นบีนำเอามาะคุณยังม่ใช่มุสลิมนี่เอาลอตเตือนนนี่ใช่ชายคนนี้เตือนฮัตยาฮา ร, รกะจนกระทั่งเมื่อฮารากแปลว่าพินาศจะได้หมายถึงตายจนกระทั่งนบียูซุฟเสียชีวิต นบีทุกคนเสียชีวิตหมดยกเว้นนบีอินซาอัลลอฮ์พาขึ้นไปบนชันฟ้านะครับเอาต่อมาครับกุลตุมผู้ท่านทั้งหลายพูดว่าพูดโดยการดูถูกนะนะลายยาบะอัลลอฮุมิมบะดีฮิรอสู ล, ละหลังจากเขาแล้วเนี่ย อัลลอฮ์จะไม่ทรงแต่งตั้งรอซูลคนใดมาอีกเลยนี่สงสัยนี่เตือนฟาโรชายคนนี้เตือนฟาโรรู้หรือเปล่าคนที่สงสัยแบบนี้ก็มูซ่ามาแล้วยัมาสมัยคุณเนี่ยมูซามาแต่ชายคนนี้ก็สอนก่อนหน้ามูซาก็มียูซุฟมา แ, แล้ประเทศอียิปต์เนี่มีนบีมาเยอะ ประเทศไทยมีนบีมาเปล่าไม่มี <ت ص في ق> เราเนี่ยอัลลอ์ได้ إ ي م ต่ออัลลอฮ์ได้ إ น م ต่อรั้วซุนทั้งๆที่นบีไม่เคยมาเมืองไทยอ่ะแต่รายจกอัลลอฮ์ำโนี่ต้องขอบคุณใครอัลฮ์ทำโดยลีลขอบคุณแล้วกนะครับต่อตามาครับกาซาลิกาอยู่ดินลุลลอในท้ำนองนี้แหละอยู่ดิน ล, ล, ลุลลออัลลอฮ์ทรงปล่อยให้หลง มันหัวผู้ที่มุสริฟุนผู้ที่ละเมิดขอบเขตคนที่ไม่ยอมจานวนตนต่ออัลลอฮ์เรียกว่าละเมิดนะอัลลอฮ์ปล่อยให้หลงไปเลยหลงและเพลินนะ่ะได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศได้ผู้หญิงเอาไปนอนกอดมาตรงนี้กล้าด้วยนอนกับใครก็ได้มุตตาบุญช่างสงสัยยิ่งสงสัยอิสลามนะสบายเลย ไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีนาบีไม่มีทางนำำําสภาวะชีวิตคิดเองอะ่ะจะทําอะไรก็คิดเองเชิญตามสบายมีเงินบมดตังใจสกัดสบายไหมเอาไปเลยเอาไปแต่พวกเราเนี่ยต้องนึกเยอะมีเงินจ่ายสกัดแปลว่าวปีนี้ซาตะโก้จ่ายระยังเนี่ยเอาอหรอไฮเดียจ่ายให้ใครว่าไหมวากับทํำยังต้องนึกแต่คนกาแฟาสบายไหมโอ้ นึกจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ยมีปัญหาเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์นในการดำเนินชีวิตยาอากุมนี่ประโยคที่สองฟา마วิลตุมฟีชักกิมมิมมายาอาุมบีฮียาอากุมหมาถึงบรรพบุรุษของพวกท่านเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเคยมีเคยมีนบีมาไหมมีนี่เตือนฟาโรห์ให้รู้ว่า เองไม่ใช่ใหญ่นะอัลลอฮฺให้อำนาจคุณปกครองมีกำหนดเวลาที่แน่นอนอยู่แล้วกีปก่ปีกี่ปีกี่ปีกี่ปีเป็นกษัตริย์กีป่ปีเป็นเป็นนายกกีป่ปีเอาไปเลยตำแหน่งนี้อัลลอหฺมอบให้แต่เองคิดถึงอัลลอฮฺหรือเปล่าเราก็เหมือนกันอัลลอฮฺให้ตำแหน่งเป็นนุนเป็นเนื่นในสามโขงกี่ปีต้องนึกชั่วคราวทั้งหมด ไอ้ของที่แน่นอนก็คือตายไอนี่แน่นอนเตรียมเสบียงความตายซะอะไรบ้างมันจะเตรียมเงินแจกคนตายไม่ใช่นะเตรียมน้มาเตรียมอ่านกุณอานศึกษาหาความรู้เตรียมบริจาคเตรียมขอดุทธเตรียมสิกรุลนล้อเตรียมติดต่อกับเรื่อญาติตัวเองการให้อภัยสลวัตรนบีเจ็ดแปรายการนี้เป็นอามันที่สอนและที่จะต้องเตรียมตัวก่อนตาย ที่จะเป็นเสบียงพาเราไปพบกับอัลลสุภาณอุนาดาหมดเวลาครับสุภาณอัลลอฮุมวะบิฮัมดกวาอัชชาดวนเลยอิลัยละอันตะอัตัิกาวะดูบอิลัยฮมดุลิลล